มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในอเมริกาอเมริกานี่เขามีสำนักปฏิบัติธรรมเยอะแยะทั้งเซนทั้งมหาิหายานเทรวาวัชรยานส่วนใหญ่ก็ไม่มีพระ อยู่ประจํอ่ะนะก็เป็นสำนักของคารวาดเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมาชิกก็บางแห่งก็มีเป็นสิบบางแห่งก็เป็นร้อยขที่มีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะส่งเสริมให้ สมาชิกองเขาได้รู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพราะว่าสันติวิธีนี่ก็เป็นเป็นหลักการหนึ่งของชาวพุทธนะมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้โดยไม่ใช่ความรุนแรงเรื่องพวกนี้ก็ต้องฝึกนะเพราะว่าไม่งั้น มีเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันก็อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่ามีการถึงกับทำร้ายกันก็มีก็เลยมีการจัดอบรม2วันเชิญวิทยากรซึ่งก็เป็นคนนอกนะคือไม่ใช่พุทธแต่ว่ามีความมีทักษะเรื่องสันติวิธีก็จัดอบรมเสาร์อาทิตย์ วันแรกก็เรียบร้อยดีวันนี้วันที่สองเนี่ยวิทยากรเขาก็บอกว่าอยากจะลองฝึกเรื่องการเจรจาก็เลยจะใช้วิธีการสว ม, มุิบาทสซ ม, มุิบาทนี่มันก็คล้ายการแสดงหรือละครนะแต่ว่ามันไม่มีบทไม่มีบทพูดทุกคนต้องดน้นด้นสดเลยจะฝึกเรื่องการเจรจาโดยสมมติว่า มีคนสองคนถูกจับเป็นตัวประกันถูกลักพาตัวโดยผู้ก่อการร้ายตัววิทยากรนี่ก็จะเป็นผู้ก่อการร้ายเองเลยส่วนที่เหลือนี่ทำหน้าที่เจรจากับผู้ก่อการร้ายเพื่อให้เพื่อนได้รับอิสรภาพ ก, ก็แจกบทจนเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มต้นเลยนะสนมบทบาท อยู่ดีๆทางผู้ก่อการร้ายนี่ก็จุดบุหรี่ขึ้นมาสูบก็มีคนทักท้วงว่าอขอโทษครับนะที่นี่เป็นเป็นห้องทำบัตรสวดมนต์นะครับห้ามสูบบุหรี่ผู้ก่อการร้ายก็พูดว่ากฎระเบียบอะไรของคุณผมไม่สนใจคุณจะเจรจาไหม คุณอยากจะเจราจาเรื่องสูบูรี่หรืออยากเจราจาเรื่องปลดปล่อยเพื่อนของคุณก็มีหลายคนเริ่มไม่พอใจก็มีคนหนึ่งพูดว่าที่นี่มันเป็ น, ป น, ปนที่ธรรมสวดมน์นะอย่าให้คุณเคารพสถานที่แห่งนี้เขาก็เลยบอกว่าผมไม่สนใจคุณจะเจราจาหรือเปล่าก็มีคนทักท้วงขึ้นมาอีก ก็เลยบอกว่าก็ได้ผมหยดสูบก็ไดนะ้ว่าแล้วก็เอาบุหรี่เนี่ยไปไปบี้ที่พับเพลาพับเพลานี่คือตักของปกปัทรูนะลองนึกภาพเนี่ยคนเอาบุหรี่ไปไปไปจี้ไปไปบี้ที่พับเพลาเนี่ยนปะปัทรูนี่ก็สวยงามนะเอาบุหรี่ไปบี้องนั้นเนี่ยคนก็นิ่งเลยนะอึงไปเล ย, เลยตั้งหมดนี่อึงไปเล ย, เลย นะความไม่พอใจก็เริ่มปรากฏนะก็มีคนก็พูดว่าคุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่านี่พระพุทธรูปนะผมไม่สนใจไม่ใช่พระพุทธรูปของผมนะว่าผมก็ไม่ใช่พุทธคุณยังอยากจะเจรจาไหมถ้าไม่เจรจาผมก็จะไปก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้านะ ก็พูดขึ้นมาว่าเราเชิญคุณมาที่นี่เนี่ยเพื่อมาให้มาฝึกอบรมนะคุณก็ควรจะเคารพพระประตูลูปของเราควรจะเคารพสถานที่ของเราไม่ควรทำตัวแบบนี้พวกกัลละก็เลยพูดว่าคุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมเคารพสถานที่นี้อย่างไรว่าแล้วก็เดินไปที่มุมห้องแล้วก็รูดซิป แล้วก็ฉี่ตรงมุมห้องนั้นเลยโอ้คราวนี้นี่ผู้คนนี่โกรธเลยนะลุมคือรวมสกรามเลยนะเข้าไปรุมสกรรมวิทยากรคนนั้นเลยนะเตะบ้างต่อยบ้างจนกระทั่งวิทยากรนั้นล้มลงไปเลยนะเราก็ต้องคลานตัวให้ออกมาจากฝูงชนแล้วก็ออกจากห้องไปเลยแต่ก่อนที่จะออกจากห้องก็ปล่อยตัวประกันไปก่อน แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเรื่องก็จบเท่านี้นะแต่มันก็น่าคิดนะเอ้ยทำไมไอาการฝึกอบรมเรื่องสันติวิธีนะเพื่อรับความขัดแย้งเนี่ยทำไมมันลงเอยด้วยการที่ชกต่อยนะทำร้ายกันแล้วคนที่ชกต่อยนี่ก็ไม่ใช่ใครน่าจเป็นชาวพุทธนะซึ่งอ่ เชื่อในเรื่องของสันติวิธีบางคนนี่ถือศีลเคร่งครัดบังสวิรัตนะกินเป็นปีนะไม่กินเนื้อเพราะกลัวว่าเพราะไม่อยากจะทำร้ายชีวิตสัตว์แต่ทำไมถึงเข้าไปเตะต่อยอวิทยากรคนนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามนะ ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเราจะทําอย่างไร <Yeah. S 1> เราจะเข้าไปเตะล่อยทุบตีวิทยากรคนนั้นได้หรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็มันก็เริ่มต้นจากการแสดงนะสมบทบาทก็เป็นการแสดงวิทยากรนี่เขาก็แสดงทําตัวเป็นผู้ก่อการร้ายอะที่เขาทำนู่นอะเป็นการแสดงนะแต่ทําไม มันถึงลงเอ่ยแบบนั้นจากการแสดงนี่กลายเป็นการโมโหโกรธาแล้วก็เตะต่อยกันเป็นของจริงไม่ใช่แสดงแลวของจริงเลยอันนี้ก็ก็เพราะความลืมตัวสมาชิกในสนับปฏิบัติธรรมนี่ลืมตัวกันไปหมดเลยลืมไปเลย ว, ว่านี่มันเป็นการแสดงนี่มันเป็นการสว ม, มบทบาทนี่มันเป็นการฝึก ทำไมลืองตัวก็เพราะว่าโกรธทำไมโกรธก็เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเคารพเนี่ยเช่นห้องทาว่าสดมนหรือพระพุทธรูปถูกคนล่วงละเมิดมีคนไม่แสดงความเคารพมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นโดยเพราะความไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ตัวเองเคารพเนี่ยมันทนไม่ได้โกรธมาก ในที่จริงวิทยากรคนนี้เนี่ยเขาก็าต้องการฝึกนะต้องการฝึกโดยการให้โจทย์ยากๆถ้าโจทย์มันง่ายเกินไปการฝึกก็เป็นเรื่องง่ายเช่นมีคนมาเอาของเอาเงินไปก็ไปเจราจาเอาเงินเอาโทรศัพท์เขาก็ปองเงินคืนไอ้แบบนี้มันมันยังง่ายอยู่นะ เขาก็เลยเลือกเอาประเด็นที่มันกระทบอัตตาของคนอะไรที่จะกระทบอัตตาคนเราได้นะก็คือสิ่งที่เราเคารพเคารพนับถือว่าเป็นเราเป็นของเร า, เาก็เลยเอาโจ์นี้ขึ้นมาแต่ว่าไอโจดนี้เนี่ยมันกระทบอัตตาตัวตนของอคนที่เป็น คนที่เขารอบอบลมนะจนกระทั่งเขาลืมตัวไปทุกคนสนใจแต่เพียงว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับกับพระประทุรูของเรามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับอ่ห้องทรวัาสวดมนต์ของเราทุกคนเพ่งส่งจิตออกนอกไปหมดจนลืมดูใจของตัวว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจของตัวแล้ว ความไม่ถูกต้องนั่นคืออะไรคือความโกรธความแค้นความอยากจะทําลายทั้งๆที่อันนี้ก็คือสิ่งที่าชาวพุทธเราถูกสอนไว้ว่ า, าให้รู้เท่าทันความโกรธความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอไปส่งจิตออกนอกพอเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็เลยลืมดูใจของตัวพอลืมดูใจแล้วเป็นไงความโกรธครอบงา พอข้อ ง, งามเสร็จก็เลยลืมตัวเลยไอสิ่งที่ไม่ควรทําก็ทำเข้าไปเต็มที่เลยเพราะอะไรพราะเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนเนี่ยไปไปลุมทําลายเขาเพราะว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ลืมถามตัวเราเองว่าตัวเขาเองว่าเออแล้วเราที่ไปเตะต่อยนี่มันถูกต้องไหมมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเนี่ยเพราะชาวพุทธเนี่ย ก็ต้องใช้การไม่เบียดเบียนต้องใช้สันติวิธีแต่ว่าปรากฏว่าพอมีเรื่องไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับลงเอ่ยด้วยความรุนแรงอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกนะสอบตกกันทั้งห้องเลยนะทั้งชั้นเลยทั้งสํานักเลยสอบตกในฐานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ในฐานะที่สนใจสันติวิธี ลืมไปนะเพราะว่าพุ้ตุจ้านี้ท่านสอนอย่างไรบ้างในเรื่องของในเรื่องของความไม่ถูกต้องนี่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยผู้เจ้าท่านก็เตือนนะว่าอย่าว่าแต่ความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับสิ่งใดเลยแม้ทั่งเกิดขึ้นกับเรามีคนเบียดเบียนเร า, าเช่นทําร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยไม้ด้วยศัตตรานี่ผู้เจ้าจ๊ะไปนะ ผู้ใดประหารเธอประหารคือทำร้ายประหารเธอด้วยด้วยฝ่ามือด้วยก้อนถินด้วยไม้ด้วยศัตตราเธอเพึงสำเหนียกว่าเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าจิตเราจะไม่วิดพริตจะไม่กล่าววาจาช่วยยาอันนี้พระเจ้าได้พูดเอาไว้ว่าแม้กระทั่งมีคนมาทำร้ายเรา เดี ว, ว่าแต่การกล่าววาจาช่วยายาไปแม้กระทั่งจิตนี่ก็จะไม่วิปริตคือไม่แปรผันในที่หนึ่งพวกก็ตัดไว้ว่าเนี่ยแม้โจรผู้ชั่วลายนี่เอาเลื่อยที่มือมือที่มีมื อ, ม อ, มอสองข้างมาเลื่อยอาวัยวะน้อยใหญ่ของเธออ่าถ้าหากว่าเธอจิตแปรผันนะกล่าววาจาช่วยยาก็เท่ากับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของเรา ปฏิบัติตามคำสอนของเราหมครับว่าไงก็หมายความว่ามีจิตเมตตามีความเอื้อเฟ้อเอื้อเอ็นดูนะไม่มีโทสะอยู่ภายในอันนี้ผู้เจ้าท่านสอนถึงขนาดนี้เลยว่าแม้กระทั่งคนมาทำร้ายเราในการที่จะไปทำร้ายตอบโต้ตเขานี่ก็ไม่ถูกต้องอย่าว่าแต่การทำร้ายเลยแม้กระทั่งการกลา่าววาจาชั่วหยาบหรือการด่าเขาหรือว่าการ ความสุดโกรธเกลียดเข้านะจิตใจแปรผันอาจารย์ใช้คํานี้จิตแปรแปรผันหรจิตวิปริตคนเราเวลาเกิดเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะเลยเพราะความไม่ถูกต้องที่กระทํากับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเคารพเทิดทูนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่พอใจทันทีเราจะเห็นเลยว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้ว และพอเห็นใครทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็รู้สึกว่าจะต้องจัดการแต่ถ้าปล่อให้ความโกรธเปรียดครอบงำเนี่ยสิ่งที่ทำไปก็จะกลายเป็นความไม่ถูกต้องซ้ำสอง ก, ก็คือการใช้ความรุนแรงกระทำกับเขาอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความเป็นความยึดติดถือมั่นความยึดติดถือมั่นในสิ่งใดก็ตาม ความยึดติดถือยึดติดถือมั่นในความถูกต้องบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะมันสามารถจะผลักให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้หลวงพ่อเฟื่องโชติโกนี่ท่านอดีตเจ้าวาดวัรมสติถิรยอ ย, อยนะ่พูดดีนะบอกว่าแม้ความมีของเราจะถูกต้องแต่ถ้าเรายึดติดมันก็กลายเป็นกิดนะ ควาถูกต้องนี่ถ้าไปยึดมันเข้านี่มันก็กลายเป็นจิตไปเลยนะเพราะว่าพอพอเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจิตมันก็จะเพ่งออกออกนอกจนกระทั่งปล่อยให้ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจปล่อยให้ความโกรธเกี่ยวเกิดขึ้นในใจคนทุกวันนี้ในเวลาเห็นคนไม่ดีทําอะไรเนี่ยคนคนเลวทําแล้วก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความชอบทำที่จะทําอะไรกับเขาก็ได้ ก็มันเลวเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะทำดีกับมันอันนี้ก็เป็นเป็นข้ออ้างที่ทำให้คนเราเนี่ยทำลายเขาอย่างเวลาเอาผู้ต้องหา็าดีข่าข่มคืนมาทำแผนปฏิสลายในสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยเรามักจะพบได้ยินข่าวว่ามีคนประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปเตะต่อยทำลายเขา บางทีทำร้ายถึงตายเลยทางดที่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ถูกกฎหมายนะจริงจริงมันก็ไม่ถูกหลักไม่ถูกศีลธรรมด้วยเพราะาเขายังเป็นเพียงแค่ผู้ต้องหาแต่ว่าผู้คนเขาไปเตะต่อยทุตีเขาเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนชั่วเขาชั่วนี่แต่เราดีเราก็มีสิทธิ์ทําอะไรเขาก็ได้อันนี้มันก็เป็นความไม่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งนะ แต่ถ้นเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่กรณีเรื่องที่เล่ามานี้เนี่ยมันมันอีกเรื่องนึงเลยนะเพราะว่าคนที่คนที่เป็นแต่ต่อยวิทยากรทุตตีเขาเนี่ยก็อ้างตัวเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นนักปฏิบัติธรรม แล้วก็แถมเชิญเข้ามาด้วยนะเชิญเข้ามาทำอะไรเชิญเข้ามาฝึกเรื่องการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธนะีแล้วก็ก็ทำหน้าที่ของเขาด้วยการสร้างโจทย์ยากๆนะให้ให้ทดลองทำกันดูแต่ปรากฏว่าลืมตัวไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่วิทยากรคนนั้นทำเนี่ยมาไปกระทบกระทบะอัตตานะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาสิ่งที่เขาทำนี่จะกระทบกับ พระพุทธรูปที่เราเคารพแต่ว่าจริงๆมันไปกระทบอัตตาเพราะไปยึดติดถือมั่นในพระพทธรูปในห้องสวดมนต์ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยใครทำอะไรกับพระพทรูปใครทำอะไรกับห้องสวดมนต์ก็ถือว่ามันกระทํากับเราก็ทํากับอัตตาของเรามันต้องระวังในเวลาการยึดมั่นถือมันกับอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นการไปเพิ่มปูนอัตตาตัวตนขึ้นมาได้ แล่ที่จริงโจทย์ที่ว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแค่โจทย์ที่คิดขึ้นมา ล, ายลอยๆนะจริงๆในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวทำนองนี้เยอะมากเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยโลกาภิวัตน์นะคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาก็มาก็มาพบปะปฏิสัมพันธ์กันบางทีก็มีคนที่ไม่รู้ภาษีภาษา เอาพระพุทธรูปไปไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นไปวางไว้ในห้องน้ําหรือเอารูปพระพุทธรูปมาเป็นตราเป็นโลโก้รองเท้านะนึกภาพไปเอาพระพุทธรูปนี่มาเป็นตราเป็นโลโก้ติดอยู่ในรองเท้านี่อนะชาวพุทธจะรู้สึกอย่างไรไอนะ้แบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะ ซึ่งจะว่าไปมันก็เกิดจากความไม่รู้ก็เยอะนะแล้วนี้ชาวพุทธเราควรจะทําอย่างไรเอาจจำนวนไม่น้อยก็โกรธนะโมโหด่าทาร้ายไอนะ้สิ่งเหล่านี้มันถูกต้องไหมตามวิสัยของชาวพุทธนะในเมื่อก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปตามไปด้วยนะผิดกับผิดเจอกันมาไม่ได้แปลว่าถูกนะ อันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่กระทบกระเทือนแต่ต้องสิ่งที่เราเคารพเนี่ยเราก็ต้องมีสติให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบงำจนลืมตัวแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องยิ่งกว่าที่เขาทำก็ได้เดีย๋ยวนี้มันก็มีถึงขั้นว่าไปทําร้ายไปทำร้ายคนาศาสนาอื่น ึงก็ไปเผ า, าศาสนสถานเช่นมัสยิดสุเราอย่างในพม่าเนี่ยมีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นที่ยิบนะมีการฆ่ากันเพื่อในนามของการปกป้องพุทธศาสนานในประเทศพมา่ามีพระนี่เป็นผู้นำเลยเพราะว่าเห็นว่าชาวอิสลามหรือชาวมุสลิมนี่เขาจะมาเผยแผ่าศาสนา เปียนชาวพุทธเป็นอิสลามเป็นมุสลิมก็เกิดความไม่พอใจจากไม่พอใจก็มีการล้นตะลงล้นตะลงเพื่อสร้างความโกรธเกลียดและพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมก็กลายเป็นเหตุให้มีการลุ่มไปทำร้ายไปเผาไปฆ่า ในลังกาก็มีนะแบบนี้เริ่มมีมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็ทำโดยการนำของพระสงฆ์เพื่อปกป้องพุทธศาสนาหรือเพื่อรักษาพุทธศาสนาแต่เราลองนึกดูซิว่านี่มันเป็นการรักษาหรือเป็นการทำลายพุทธศาสนาอันนี้สมมติเขาจะทาอะไรแม้เขาจะทำไม่ดีมีลายกับศาสนาสถานของชาวพุทธเนี่ยอันนี้ก็ให้ถือว่านี่ เป็นแบบทดสอบอย่างหนึง่งที่จะชี้วัดความเป็นชาวพุทธของเราว่ามีความเข้มแข็งอดทนนะแล้วก็มีสติแค่ไหนแล้วก็ตั้งมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนพระพุทธเจ้านี่ไม่ส่งเสริมให้มีการเดียวว่าแต่ทำร้ายเลยแม้กระทั่งการกล่าววาจาช่วยยากือแม้กระทั่งการที่ปล่อยให้ใจถูกความโกรธความเกลียดเผาเรื่นี้ก็ไม่ถูกต้องเลย ใครทําชนนั้นก็ถือวไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะเจอการทดสอบอยู่เสมอนะที่จริงเนี่ยมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิทยากรคนนั้นเนี่ยเขาเข้ามาเข้ามาฝึกสติให้กับนักปฏิบัติธรรมนะการฝึกสติเนี่ยมันมีบางทีมันก็เป็นการฝึกแบบไม่ทันตั้งตัว พอเราฝึกฝึกสติเนี่ยบางครั้งมันเป็นการฝึกสติในรูปแบบก็มีการเตรียมตัวเตรียมการเอาได้เวลาแล้วมาเจริญสติกันามาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะอันนี้คือการฝึกสติแบบมีรูปแบบแล้วก็มีการเตรียมการมีการรู้เนื้อรู้ตัวแต่เราต้องพร้อมที่จะเจอการฝึกสติแบบไม่ทันรู้เน้อรู้ตัวจะเจอแบบ แม่ทันตั้งตัวก็มีแล้วดูว่าสติเราจะมาทันไหมอันนี้สําคัญมากนักปฏิบัติธรรมต้องต้องพร้อมที่จะพาตัวเข้าไปเจอสถานการณ์ที่มีการฝึกสติแบบไม่ทันตั้งตัว ท, ที่เทาก่อนครั้นี้เขาก็รู้จักเขาก็รู้จักชาวพุทธรู้จักนักปฏิบัติธรรมดีเขาก็อยากจะอยากจะฝึกสติแบบไม่ทันตั้งตัวดูว่าถ้าหาก จะใช้สันติวิธีเนี่ยถ้ามันไม่มีสติหรือไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็ล้มเหลวต้องพร้อมที่จะเจอของยากต้องพร้อมที่จะเจอสิ่งที่มากระทบกระแทกอัตตาตัวตนของเราแล้วก็รู้ทันนะไอ้ว่าตอนนี้อัตตานี่มันกำเริบแล้วการเจริญสติเนี่ยถ้าเจริญสติเพียงแค่รู้ทันความคิดความฟุ้งซ่าน เพราะความอาลัยความเสียใจหรือเพราะความกังวลเรื่องงานเรื่องการอันนี้มันก็ยังเรียกว่าเบานะยังเรียกว่าไม่เท่าไหร่ในสิ่งที่มันหนักกว่านั่นคือสิ่งที่มากระทบกับอัตตาของเราหรือกระทบกับสิ่งที่เรายึดถือเป็นอัตตาของเราเช่นสิ่งที่เราเคารพจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีอาจะเป็น พระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีอันนี้เนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรู้เท่าทันว่าอา่าตอนนี้มันอัตราเราถูกกระทบแล้วนะความโกรธมันกำลังครอบงำแล้วนะจิตจะพึ่งไปจะมัวแต่ส่งออกนอกไปที่ตัวคนที่กำลังกระทำสิ่งนั้นแต่ต้องกลับมาดูใจของเราอย่าไปมัวมองเห็นความไม่ถูกต้องของคนอื่นจน ลืมมองเห็นความไม่ถูกต้องที่กำลังเกิดขึ้นในใจเราคือความโกรธความเกลียดถ้ามองไม่เห็นตรงนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วอันนี้เรียกว่าลืมตัวแล้วถ้าเป็นการทดสอบก็เป็นก็เป็นการสอบตกนะอย่างเหตุการณ์ที่ว่านี่สอบตกกันทั้งสํานักเลยอันนี้เป็นเพราะว่าความยึดติดถือมั่น ความยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นสิ่งที่เราเคารพตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทํานองนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะมีคนบางคนมีการกระทําบางอย่างที่กระทบกับสิ่งที่เราเคารพสิ่งที่เรานับถือนะแล้วเราก็อย่ามัวแต่ไปจดจ่อกับความไม่ถูกต้องของเขาต้องมาดูต้องมา รู้ทันไอ้ความไม่ถูกต้องที่กําลังก่อตัวขึ้นมาในใจของเราด้วยและตรงนั้นแหละเป็นแบบทดสอบว่าเราจะไอ้ทำรร ม, มาที่เราฝึกฝนมานี้เอาจะมาใช้การได้ไหมสติที่เราฝึกมาเป็นปีๆใช้การได้ไหมมันตามทันไหมนะทำให้เห็นไอ้ความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นไหมเห็นไหมว่าอัตตานี่ยมันกำลังชูคอกําเริบนะมันกําลังจะผลักให้เรา ไปว่าเขาไปทําร้ายเขานะ น, นี้แหละเป็นโอกาสนะเป็นแบบฝึกหัดที่จะทําให้เราได้ใช้ทำมากที่เราได้ฝึกมารวมทั้งคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเวีย่อมระงับย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนีนะแต่ระงับด้วยการไม่จองเวีหรือว่าการที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผู้ที่ทำร้ายเรามุ่งร้ายต่อเรามันเป็นสถานการณ์ที่เราต้องพร้อมที่จะขุดเอาธรรมะที่เราได้ฝึกฝนปฏิบัติมาใช้ถ้าไม่เอามาใช้นี่ก็ถือว่าเสียเปล่านะเพราะว่าธรรมะนี่ตั้งแต่สติไปจนถึงข้อทรทั้งหลายเนี่ย มีไว้เพื่อมาใช้กับความเป็นจริงเอามาใช้กับโลกที่มันเป็นจริงเหมือนกับว่าเอามาเอามาใช้กับกับกับชีวิตจริงการปฏิบัติในรูปแบบนะมันยังเป็นการซ้อมอยู่นะมันยังเป็นการซ้อมอยู่ยังไม่ใช่เป็นการลงสนามจริงถ้าลงสนามจริงก็ต้องไปที่บ้าน ไปที่ทำงานไปเจอกับผู้คนที่คิดเห็นต่างจากเราไม่ใช่เห็นเหมือนกันเหมือนอย่างที่วัดนี้ต้องไปเจอคนที่คิดไม่เหมือนเราทำไม่เหมือนเราต้องไปปฏิบัติกันในท้องถนนต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอันนั้นแหละนะมันถึงเรียกว่าเป็นการลงสนามจริงซึ่งอะไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ทันรู้ตัวด้วย ถ้เกิดทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราสอบตกเราก็ปรับปรุงใหม่แต่ขอให้รู้ว่าเราเรายัางซ้อมไม่พอหรือว่าเราสอบตกเราจะได้มีการปรับปรุงตัวแต่บางคนก็ยังมองไม่เห็นนะว่าตัวเองทำผิดทำพลาดยังไงบ้างอย่างผู้นัปฏิบัติธรรมที่ไปเตะต่อยลุมซอม้อมวิทยากรคนนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเออเราสอบตกเลยอาจจะคิดว่า สมควรแล้วสะสมแล้วนะที่มันมาแตะต้องพระพุทรูปของเราไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าอสอบตกหลายชั้นทีเดียวพลาดแล้วนี่ถ้าเรารู้ว่าพลาดนี่ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้แต่ถ้าพลาดแล้วไม่รู้เลยนี่มันก็ก็จัอยู่ในความผิดความพลาดอยู่ในความหลงไอ้การปฏิบัติธรรมที่ทำมามันก็ไม่มีประโยชน์เลยเฉพาะเพียงแค่รู้ว่า ตัวเองพลาดตัวเองไม่ได้ทำตามคำสอนของพระเจา้าหรือตัวเองลืมตัวก็ยังไม่รู้เลยตรงข้ามล้วเกิดว่ากลับมารู้ตัวเอยเราลืมตัวไปแนละ้วเมื่อกี้เนี่ยเราพลาดไปแล้วนะเราเผลอทำทำไม่ถูกต้องนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วยิ่งสามารถที่จะรู้ว่าอ้อเป็นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปไอ้ความยึดติด แม้กระทั่งยึดติดในสิ่งที่ดีก็สามารถทาให้เราทำผิดได้นะความดีในยึดติดนี่มันก็มันก็ผิดได้นะอาจารย์พูดท่าถึงเตือนว่าเนี่ยอย่าไปให้อยากอย่าปล่อยอให้ความดีมันกัดเจ้าของติดชั่วหรือติดดีมันก็อับปรีทั้งนั้นนะท่านพูดแรงติดชั่วหรือติดดีมันก็อับปรี่ทั้งนั้นเพราะว่าพอติดดีแล้วก็ทำให้ทาชั่วได้ง่ายอันนี้เราต้องระวัง อ่ะในี่พงกรเทานี้กพับ